สะสมอย่างนี้ให้มันเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้และที่สำคัญเพิ่มพูนคุณภาพปัญญามากยิ่งขึ้นจนปัญญาเนี่ยนะเหมือนกับนักสะสมแสงสว่างหรือนักสะสมฟืนไฟเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยอ่าโยมอาจจะนึกไม่ออกเข้ามานึกออกสมัยก่อนเวลาที่เราไปอยู่ตามบางแห่งเนี่ยนะมันหาเชื้อเพลิงยากมากเราเขาไปเก็บพวกชิ้นไม้เล็ ก, ลกๆน้อยๆมาค่อยๆรวมกัน ถ้าใส่ไปหนึ่งชิ้นมันก็สว่างเท่านี้ถ้าหามาเพิ่มทีละชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสิบชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นมันก็โกงโตสุมๆมก็เป็นไฟที่สว่างฉันใดก็ต้องหาอาหารแห่งแสงสว่างคือปัญญาให้เกิดในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นปัญญาเนี่ยสว่างขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในแนวเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ได้แปลว่าทำซ้ำซ้ซักๆักซ้ำซๆำซักซมาจากคําว่าอาเสวิตา อาเสวิตาเนี่แปลว่าทําซ้ําๆำซักซัอาเสวิตายะภาวิตายะพระหูลีกตายะไอพระหูลีกตายะนี่ก็แปลว่าทําำทำซ้ำซักซักแต่ว่าภาวิตาเนี่ยแปลว่าวุฒิถิ่งแปลว่าโตขึ้นทําให้มันโตขึ้นเพิ่มคุณภาพเช่นไฟเนี่ยทำให้ไม่ใช่ไฟรีนะแต่ว่าไฟไม่ใช่เอารีลงลงนะแต่มันขยายขึ้นขยายขึ้นเพิ่ม เพิ่มปริมาณความสว่างขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าภาวนาตอนแรกบอกอาเสวิตาเซบคือคือทอํายังไงให้มันเกิดในจิตสองทำให้มันโตขึ้นแล้วสามทำให้มันบ่อยๆขึ้นทําปัญญาอย่างไงให้เกิดขึ้นให้โตขึ้นและให้บ่อยขึ้นทําจนชํานิชํานาญรับอารมณ์อะไรปัญญาก็เรียกว่าใช้งานปัญญาอย่างเต็มที่ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่แปลกว่า ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งใช้ยิ่งเติบโตไอตัวนั้นแหละคือหนึ่งในข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความพ้นทุกเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจที่นำออกจากทุกอันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราดูในพระไตรปิฎกไยมากพร่งเที่ยวพร่ำสอนเพื่อจะบอกว่าปัญญาเป็นอย่างนี้นะ จเจริญให้มันมากๆอย่างนี้นะถ้าจเจริญมากๆอย่างนี้แล้วจะพ้นจากทุกอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ใช่พูดปัญญาอย่างเดียวนะพูดมร์แปดนั่นแหละแต่นี้เรายกตัวอย่างสัมมาทิฏฐิแต่พระองค์ไม่ได้พูดแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวพระองค์พูดองค์มร์อย่างอื่นๆประกอบอีกมากมายเพื่อให้รู้ให้เห็นอริยสัจทั้งหลายเพราะฉปัญญาที่เกิดขึ้นทัวนอีกครั้งว่ามร์นั้นมีความหมายว่าเห็นอริยสัจนะทัศนทโธทัศนแปล ว, ว่าเห็น ความหมายของมัคสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของเห็นเห็นอะไรเห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบันทีนี้เมื่อเห็นแล้วอ่ะมัคมัคเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มเห็นกับกลุ่มภาวนาเมื่อเห็นอริยสัจครั้งแรกแล้วภาวนาขึ้นเป็นสกทาคามิมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอนาคามิมัคภาวนาขึ้นให้เป็นอรหัตตมัคมัคจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มมัคที่มีความหมายว่า ทัศนะเนี่ยนะทัศนะสัมปันโนพระโสดาปิตบุคเนี่ยเห็นส่วนที่เหลือเป็นภาวนานี่ยนะก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ภาวนาด้วยเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะพยายามเจริญกุศลและทํำทาบุญเหมือนนเถอะบุญไหนๆที่ทําไปเนี่ยก็ให้มันเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจนั้นแม้กระทั่งว่า ก, กิจกรรมไปให้ทานทานที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรก็ตามก็ให้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เห็น อริยสัต์เธอแต่ถ้าไม่นี้จริงๆเลยนะบอกอริยสัจว่าคิดแล้วปวดหัวเมื่อวานก่อนเจอชาวต่างประเทศเข้ามาก็คุยกันพูดภาษาเขายากแต่ฟังเขาออกแต่เราพูดไม่ได้เราให้ล่ามพูดมจะพูดให้ง่ายไงอบอกคุณจะไปไหว้พระาธราตุจะไปไหว้พระาธาตุที่สีลังกาหอบนะพาหมู่คณะไปห้าสิบคนน่ะนะอยงนี้แล้วการไปไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งความปรารถนาให้ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้านะหรือมาบอกเอาไงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรขอขอให้ได้ตรัสรู้ตามเธอเนี่ยนะบอกเขาจะไปเมืองแคนดี้ด้วยบอกเนี่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอในอัตถกามหาปรินิพานท่านกล่าวไว้ว่าเป็นซี่ฟันที่เวลาพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจต้องผ่านซี่ฟันอันนั้นผ่านพระเขี่ยวแก้วเพราะฉะนั้นพระธรรมเหล่าใดที่พระพุทธเจ้า สอนแปล่งวาจาออกมาทางพระโอษฐ์แปล่งถ้อยคําออกมาทางพระโอษฐ์ขอให้เรามีส่วนรู้เห็นเข้าถึงธรรมะที่พระองค์ประกาศแล้วด้วยพระองค์มีเจตนารมณ์เหล่าใดแล้วประกาศธรรมออกมาขอให้เรามีปัญญาที่เห็นธรรมอนั้นด้วยขอให้ตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยนะให้พยายามตั้งไว้อย่างนี้เถอะถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้นะโยเมเออไอความรู้ในโลกเนี่ยมันมากจริงๆเลย มันมีสองอย่างรู้แล้วพ้นทุกข์กับรู้แล้วดับทุกข์แต่โดยมากรู้ตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่พ้นทุกข์ถ้ารู้ตามอย่างอื่นนะั้มีแต่สร้างทุกข์เราเนี่ยว่าเก่งมากเลยนะหลายคนที่เห็นว่าเก่งๆจริงๆอนะแต่ความรู้ที่เขาเก่งเขากล้าสามารถเชื่อไหมจบลงด้วยความทุกข์เลยนะนะเคยเห็นคนเก่งคนไหนบางที่ไม่ทุกข์เยอะมากมีไหมหายากมากเว้นแต่เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจัง คนทุกข์ทีนี้เห็นอริยสัจก็จําอริยสัจมันก็ไม่เหมือนกันเห็นอริยสัจนี่แปลว่ามีปัญญาเห็นเนี่ยอย่างเห็นคนในห้องนี่เห็นสัจจะเลยไหมเห็นความจริงเลยไหมถ้าเห็นความจริงคืออริยสัจได้ก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าไม่เห็นความจริงคืออริยสัจได้เนี่ยโอ้ยร้องไห้ร้องไห้อีกนานว่างั้นนะเรื่องเนาะเห็นแดดก็บอกแมมต้องเอาผิวหนังไปสัมผัสกับแดดอีกนานเนี่ยนะเห็นดินก็โอ้ยต้องนอนอีกนาน แล้วก็สาคัญที่สุดเนี่ยนะว่าทํำยังไงเนะาะจะศึกษาพระธรรมคําสอนให้รู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราพยายามอย่าหลอเข้าใจผิดตัวเองนะพยายามอย่าเข้าใจตัวเองผิดผิดว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเรานี่รู้แล้วถ้าเคยถ้าใครบแบบแหมบางคนที่เขามีมีคำพูดประเภทนี้บอ่อยเหมือนกันรู้แล้วเข้าใจแล้วรู้อะไรรู้ว่านี้ทุกมันทุกยัง ไ, ยงไงยังไงนีคือพยายามสอบสวนมันไงในสมัยก่อน สมัยพุทธกาลเนี่ยพระองค์ให้สอบสวนตัวเองให้บ่อยๆเลยนะว่าที่เราเจริญเนี่ยเราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเจริญแล้วมันเติบโตขึ้นไหมเพียงพอไหมพ้นทุกข์บ้างไหมที่เราเจริญและเจริญไปถึงไหนเป็นอย่างไรเนี่ยถามตัวเองบ่อยๆว่าที่เรารู้เราเข้าใจนี้เราเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็เก็บความเข้าใจแล้วก็ไปอ่านพระไตรปิฎกอีกทรีนึงให้เราเข้าใจตามนี้หรือเปล่าถ้าเราเข้าใจไม่ตามเปลี่ยนความเข้าใจเราเถอะอย่าไปเปลี่ยนครรําสอน เปลี่ยนความเข้าใจพยายามน้อมไปเพื่อจะเห็นคำสอนอย่าไปแก้คาสอนมาหาความเข้าใจของของเราให้แก้ความเข้าใจของเราปรับตัวเข้าไปหาคำสอนถ้าเราแก้คำสอนมาหาเราเราคือาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เราคือคนไม่ปกตินะนะไม่ปกติมีอยู่สองอย่างนะแต่โดยมากเอาไมา่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะถ้าเราแก้คำสอนมาหาใจเรา เชื่อคำสอนเนี่ยนะเท่าวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วไม่แปลผิดไม่พลาดไม่มีอะไรนะคําสอนถูกอย่างเดียวเราเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้าอนี่ก็มีคนถามว่าถ้าต้องแก้คําสอนนี่ใคราศาสดาของใครกันแน่เนี่ยนะเราเรานับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้านับถือเรามันพระพุทธเจ้าต้องแก้ไขพระโอษฐ์ให้มาเป็นไปตามเราเข้าใจหรือเราแก้ความเข้าใจของเราไปหา คำสอนอันนี้ต้องต้องพยายามน้อมให้ดีๆเลยนี่คือสารณะละ่ะสารนังขจามีนะพุทธทางสารนังขจามีเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะรู้ตามคําสอนหรือให้พระพุทธเจ้ามาสอนเอาใจเราเนี่ยนะมันแบ่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราสอนเพื่อจะเราเรียนเพื่อจะรู้คําสอนให้เจริญยิ่งเจริญขึ้นเราชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องม า, มาตามใจเราสิถ้าอย่างนี้ห่างมานานแล้วนะ เราไม่มีสารณะอะไรเลยดีไม่ดีกําลังจะทําลายของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําไปกําลังจะทําลายคําสอนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพรานจะต้องน้อมเราไปหาพระพุทธเจ้ามันเราไปคิดยังไงก็ทั้งเถอะเรานี่จบลงที่ความทุกข์แต่ของพระพุทธเจ้าจบลงที่ความพ้นทุกน้อมใจของเราไปหาพระองค์หาสิ่งที่พระองค์พยายามจะบอกแล้วก็สาวกของพระองค์นั้นท่านตรัสรู้อะไรกัน จับตรงนี้เอาไว้ให้ดีคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกโดยที่ไม่เบื่อหน่ายในการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยคือเขาศึกษาเพื่อให้รู้คุณของพระรัตนตรยัยศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาที่มีต่อพระรัตนตรยัยถ้าอัดคำพระสูตรสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าอินทรี่ห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานเชื่อไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะสตินีที่ในโสตาปฏิยังฆะธรรมสีวิริยินสีที่ในสัมมาปทานสีสตินีที่ในสติปทานสีสมาธินีที่ในปัญญิ์ชานสีแล้วก็ปัญญินสีที่รู้อริยสัจสีเนี่ยนะเธอเชื่อไหมว่าอินทรีย์ทั้งห้าประการเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้ว หรือที่กาลังเจริญถ้าเจริญถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเธอเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าค่านี้มีคำถามว่าทําไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อมีคำถามนะว่าทาไมพระสารีบุตรจึงไม่เชื่อบอกว่าพระสารีบุตรท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านยอมรับแล้วก็ท่านทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าไอคนที่ทำได้กับคนที่ฟังแล้วเชื่อในประนีต ก, กันก็บอกว่าคนที่ฟังแล้วเข้าใจทำได้ตามนั้นอย่างถูกต้องอันนี้ไม่ต้องเชื่อเพราะทาได้จริงๆส่วนบุคคลที่เหลือจาต้องต้องเชื่อทีนี้ของเราเนี่ยนะของเราเนี่ยที่ยังเจริญอินรี่ห้าไม่บริบูรณ์สักทินรี่เนี่ยบริบูรณ์ที่โสดาปฏิมา สมาธิส น, นี่บริบูรณ์ที่อนาคามิมัตตปัญญสีที่บริบูรณ์จริงๆที่อรหัตตมัตตเนี่ยนะทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสว่าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วทําอย่างถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพานเราจะไปหาแหล่งแหล่งเพื่อให้ศรัทธาเจริญเนี่ยเราหาได้จากที่ไหน เรารู้แล้วว่าศรัทธาเนี่ยนะถ้าเจริญมากให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยบรรลุมรรคผลได้แน่นอนแล้วเราจะไปหาแหล่งก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดได้ที่ไหนหลายท่านบอกไหว้พระเจดีสิเขาบอกเชื่อว่าไหว้พระเจดีเนี่ยทําให้เกิดศรัทธาระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานดูแลเจดี JD, เมื่อไหร่แล้วคุณแทบไม่เหลือศรัทธาเลยนั่นแหละถ้าเป็นพนักงานดูแลเจดี JD, เมื่อไหร่แล้วจะรู้ว่าแทบไม่ค่อยเหลือเลย เพราะอะไรเพราะเรื่องยุ่งกับเรื่องการบูรณะซ่อมแซมเนี่ยนะโดยมากเขเชื่อไปดูคนอยู่เฝ้าข้างๆเจดีย์โดยมากไม่ค่อยมีศรัทธาในพระเจดีย์ที่เป็นอย่างนั้นะเพราะอะไรอันนั้นแหล่งที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาที่สุดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนั้นถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเขามาว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดศรัทธามากที่สุดถ้าเราอยากจะเจริญศรัทธาเนี่ยนะถ้าถือว่าศรัทธานําออกจากทุกเนี่ย คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่สอนให้เราเกิดศรัทธามากที่สุดทีนี้ถ้าเราจะขยันจะหมั่นจะเพียรเนี่ยนะเราแหล่งที่จะทําให้เกิดความเพียรมากที่สุดแหล่งอันนั้นนี่ยจะหาได้จากที่ไหนก็ที่นายถ้าตรัยปิดกแต่เขามีนะสัตว์ทินทรียเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยอินรีห้าจริงๆเนี่ยจะเจริญโดยอาการสิบห้าจริงๆแล้วเจริญโดยอาการสิบห้าแต่นี้เราพูดถึงในในด้านนามธรรมก่อนว่าไปหา บอ่อหรือแหล่งที่กําเนิดศรัทธาให้แหล่งพลังงานของศรัทธาที่ให้มากที่สุดเท่าพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทําให้เกิดความภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามเท่าในาพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทําให้เกิดสติระลึกได้ไม่เบลอไม่เลอะเลือนเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทําให้ใจไม่ฟุ้งซ่านเท่ากับพระไตรปิฎกก็ไม่มีแหล่งที่จะทําให้เกิดปัญญาเช่นกับในพระไตรปิฎกก็ไม่มี พันธ์พระไตรปิฎกถ้าพูดถึงตำรับตำราในยุคนี้นะหลักการในยุคนี้พระไตรปิฎกเป็นแหล่งที่ทําให้เจริญอินรี่ห้าได้ดีที่สุดอันนี้ในที่หนึ่งห้าข้อเลยนะทีนี้ข้อกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเราอยากมีศรัทธาเราต้องไปหาคบคนที่เขามีศรัทธาแล้วเออเขาเขาคนนี้มีศรัทธาเยอะไอเขาศรัทธ า, า, าอะไรกันแน่บางทีต้องต้องไปแยกตรงนั้นอีกทีหนึ่งเงนี่ยนะเขาศรัทธาอะไรกันแน่เนี่ยนะตกลงเขาเอาไงกันแน่เหมือนกันเถอะพันธ์ จริงๆแล้วถ so <c oughs> ้าเป็นสมัยสมัยที them, ่พระเรียเจ้าเยอะๆนะหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาแล้วคบคนมีศรัทธาแล้วศรัทธาจะเจริญถ้าเราจะเจริญความเพียรหลีกเลี่ยงคนเกียดคร้านคบคนมีความเพียรแล้วความเพียรจะเจริญถ้าจะเจริญสติเนี่ยนะหลีกเลี่ยงคนหลงลืมสติแล้วก็คบหาสมาคมใกล้กับคนที่มีสติถ้าเราอยากจะเจริญสมาธิหลีกเลี่ยงคนฟุ้งซ่านแล้วก็ไปหาคบกับคนที่มี สมาธิถ้าเราปรารถนาจะเจริญปัญญาเราก็ต้องหลีกเลี่ยงคนที่ไร้ปัญญาแล้วคบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีปัญญาตอนนี้เนี่ยนะถามว่าในโลกเนี่ยพร้อมทั้งเทวโลกใครมีศรัทธาเข้าไปพระพุทธเจ้ามีไหมไม่มีใครอยากจะเจริญศรัทธานะศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าให้มากและแต่ที่สำคัญนะต้องต้องอาศัยตำรับตาราวิชาการที่ถูกต้องอย่าไปศึกษาข้อมูลประยุกต์ พข้อมูลประยุกต์เนี่ยคนเขาบอกว่าตำราเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มเขียนตามที่เป็นกับเขียนตามที่ตัวเองอยากให้เป็นคือาการศึกษาพระพุท ธ, รทธประวัติหรือประวัติความเป็นไปของพระพุทธเจ้าพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นตามที่พระพุทธเจ้าเป็นหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแล้วก็มาแต่งสีสันในโลกรูปแบบของเราเองเนี่ยนะ ทำสีซะใหม่ทำอะไรซะใหม่เนี่ยนะกลนะายเป็นคนละเรื่องไปเลยก็ไม่เป็นอย่างที่พระองค์เป็นมันเราต้องศึกษาพุทธประวัติตามที่เป็นจริงของพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าในความเห็นของบางคนอย่างตอนนี้เนี่ยนะเามีภาพ ย, ายนตร์ออกมาเรื่องหนึง่งพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นพระพุทธเจ้าในความเห็นของกลุ่มนั้นคืออะไร ไล่ตังวัตถีปังกรมาเรื่อยพลาดตั้งวัตถีปังกรจวบจนตัดส้วนผิดหมดเลยตกลงพระพุทธเจ้าอยากเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันพวกนั้นนะคนละเรื่องคนละเรื่องไปคนละเรื่องกันเลยนะมีอยู่เรื่องเดียวที่มันดูเหมือนกับเออดูดีอนะก็คือเรื่องอเทวทูตเห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายตรงนั้นแหละดูดีหน่อยที่เหลือนี่มันคนละเรื่องตับในคําสอน พันแหมอยากมีศรัทธามากก็ไปดูพวกไอ้ภา พ, พยนต์กลุ่มนั้นแล้วก็หมดศรัทธาแน่เนี่ยนะหมดศรัทธาในพระพุทธเจ้าแน่เพราะพระพองค์ก็ไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปอะไรเลยเนี่ยนะการสร้างบารมีของพระองค์ก็เป็นยังไงกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าใครเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งนะเจ้าชายขี้เมาคนหนึ่งย่ําเป๊ย น, นั่นแหละมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยนะพันข้อมูลเกี่ยวกับพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพัน ไม่รู้ล่ะถ้าเราเข้าถูกข้อมูลที่ถูกต้องเราจะมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าตลอดไปถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในที่สุดเราจะเริ่มดูหมิ่นพระพุทธเจ้าถ้าเราดูหมิ่นพระพุทธเจ้าเราจะได้รับมรดกคือโลกุตระของพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้นะพราธเราต้องพยายามตรงเนี้ยข้อมูลแล้วข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียนข้อมูลเป็นที่ตั้งแห่งสติสมาธิและ ปัญญาเหมือนกันบุคคลที่จะทําให้เราเกิดศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาก็เหมือนกันทบทวนพยายามทบทวนสอบสวนเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานไหมเพื่อถูกต้องไหมอะไรไหมเพราะนนั้นในใจของเราที่ไปรับรู้วันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่เรื่องเนี่ยนะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องต่อวันวันหนึ่งใจเราไหนเนอจะช่วยให้เราผลทุกข้อปฏิบัติเราไหนเนอที่จะช่วยให้เรา พ้นทุกยาเราหลายท่านบอกแหมเขามีความมั่นใจจริงๆคุณมั่นใจจริงตามคำสอนหรือว่าคิดว่าตัวเองมั่นใจเอาอะไรมาเป็นหลักประกันว่ามั่นใจเนี่ยนะ